เทศอบรมพระวันที่28สิงหาคม2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เทศธรรมะจบแล้วตอนท้ายพูดเรื่องต่างๆมากเรื่องด้วยกันหน้าบีก็พูดเรื่องต่างๆหลายเรื่องเช่นกันไม่ให้ถอดเทพให้เก็บไว้โดยเฉพาะ ห้ามให้ใครไปฟังและอัดเฉพาะเพราะขาดความมั่นใจใส่จิตใจไม่อยู่กับธรรมกับยิ่งในพอให้มีความหนักแน่นลี้ีะให้เกิดความสนใจจดต่ออาดูพอบรรพพิธีไปเลย เราไม่ได้ยกโทษเราพูดทำคนอื่นเราได้ยินเรื่องนีของเราเรานั่งฟังปฏิโมกตอยู่ด้วยทําไมเราจะไม่รู้ก็เราสวดปฏิโมกได้ด้วยไม่ใช่สวดไม่ได้สวดดีไม่ดีมันก็ต้องรู้มีหมหาป ร, ริยญาทั้งนั้นสวดไม่ไดสวดไป น, นั่นเป็นท่ามันไม่สมเป็นวัดใหญ่ในกรุงเทพ ก็แต่ความเร็วเขาว่าเร็เหมือนนกขุนทองไม่ได้สับดยแสงไม่สั่คือข้าพระพุทธศาสนาวต่างๆใหญ่ตรงนี้ผมเกี่ยวข้องหลายวัดอย่างเด็กพระทวันไหนก็ต้องไปฟังปฏิโมกข์วัดนั้นวัดนั้นเพราะว่าเทพสวดดีเทพดีสวดดี วัดบรวรนี่เป็นเป็นลองไปลองอยู่มากอันีเราพูดถึงวัดใหญ่ๆเราไปอยู่ที่ไหนเราสังเกตทั้งนั้ น, นมันดูอดไมหน้าที่ไม่สังเกตหนกสังเกตอยู่นั่นน่ะความวามุขของเป็นทอดสังเกต ทังเกลียเหตุหาผลเพื่อเป็นอัดเป็นธรรมนั่นเองไม่ใช่ทั้งเกลดเพื่อจะโยกโทษความองใครๆในเนี้ย่ะเนี้ยได้อย่างนั้นเราไม่มีมองเพื่อหาความสัตย์ของจริงโตงกับความจริงอยางเช่นการสอนปฏิโมกข์เป็นความจริงก็อ่ะเป็นอ่ะอาเป็นอาะอีเป็นอีอีกันอีครุระหุหนักเบาอักษรนั้นอักษรนั้น เาก็ักตัวนั้นนั่นออกมาจากขวัญกรใดขวัญกรนั่นออกมาจากที่ไหนบ้างผมนะครับว่ายันรู้ได้ดีเพราะอันนี้เป็นหลักของบาลีที่จะสอบเป็นปริญญาด้วยต้องรู้สุขิ น, นธนิชโคสะโคสะคารุรกหึงทีฆะระตังผมนะว่ายันรู้ดีรังเมื่อผ่าน ประโยคไปแล้วน่าจะไม่ฝึกกับใครก็เลยเขาครูเลยสองเอาพราทิตย์ก่อนตั้งแต่เย็นมาดีอแล้วนอกจากไม่สนใจท่านเองมันก็นมีเท่านั้นเราไม่รู้พูดไม่ได้ลุงเปิ้ลมหาเปรย์ไม่รู้ไม่รู้สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้เพงนั่นแหละเพราะ น, นี้เป็นเป็นหลัก สูตรของความเป็นมหาเพเยรเป็นหลักสูตร่ายบาลีก่อนจะไปแปลธรรมบทต้องผ่านบาลีเหล่านี้ก็ก่อนสนที่สมัครล่านี้ต้องคร่งตัวสักไหนเป็นสุทติอัไหนเป็นสมะเป็นตัดทิศอาขยามาติเหนรู้หมด นีไม่ดียังรู้ประยังมุดต้นธาตุวิพัฒนตัดใจจะมาว่าอะไรกันแต่เราถันก่อนที่เรียนเพื่อสวดปฏิโมก์เท่านั้ น, นเราจรึงไม่ไม่ประสงค์หมู่เพื่อนมาด้วยสวดปฏิโมก์เป็นทำกิจสงอย่างเต็มที่สันักกรรมประเภทหนะึ่งกิจสงทั้งหมดที่จะเป็น ความเรียบร้ยอยลงได้ในสังกักรรมประเภทนี้ต้องผู้สวดเป็นสาคัญสวดปฏิโมขวดไม่ถูกก็ไม่สงบนิสงไว้วางใจให้ผู้นั้นทำหน้าที่เพื่อสงทั้งวัดจึงต้องทำหน้าที่ให้เต็มไม่เต็มน่อยให้ถูกต้องว่ธีนี้เองต้องเตือนสมญ ก่อนก่อนที่ใครจะสวดต้องได้ฝึกซ้อมให้เป็นที่แน่ใจก่อนในระยกพันรุ์แดดของการสวดถึงจะไม่เร็วก็ไม่รวดเร็วอะไรก็ตามเราไม่ถือเป็นย้ำพันยิ่งกว่าการสวดให้ถูกต้องตามมรรคละทังาากองอ่อนจำได้แม่นยำสวดได้ถูกต้องในเบื้องตน้น นจะสวดค้าไปบ้างแต่เมื่อความเคยชินมีแล้วมันก็รวดเร็วไปอีเร็วไม่ใช่เร็วแบบไม่ได้ทอดได้วยความเร็วตกบทตกลามบ ท, ตาม บ, ทตามบาปนัน ท, ที่ไหนที่มีรักษามากๆมันก็เร็วที่มีทีค่ามากๆก็ช้าไปเองทางจังหวะของการสวดที่มีเสียงสั่นเสียงยาวเคยชินยอมเป็นไปเอง ความเร็ก็เร็วไปเองเร็วไปตามหักแําความถูกต้องมันจะเร็วเพื่อเร็วไปด้วยสับแต่ว่าอย่างนั้นไม่นับเข้าในกฎเกณฑ์นี้เสื่อมมุนเสื่อมอะไรก็ตามดูสุดไหนดูให้ถูกต้องแน่นอนอยากให้คาดเคลื่อนอยากถือว่าไม่สําคัญ ศาสนาสำคัญทั้งพระสูตรทั้งพระวินยัยทั้งปรมามัดสำคัญหมดสูตรต่างๆออกมาจากคำพวกไหนพวกพระสูตรหรือพระวินยัยหรือพระประมามรดก็ให้ถูกต้องตามนั้นทมมามั่ง่ายม่ดี ักษนาออกมาจากท่านผู้มีความเพียรมากท่านผู้มีดมีความอดทนมากท่านผู้มีความใจโหดฉลาดมากท่านผู้มีความสามารถมากทุกสิ่งขึ้นชื่อว่าเป็นความดีแล้วออกมาจากพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นตอนศาสดา เพราะฉะนั้นศาสนธรรมที่ประกาศออกมาจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องแม่นยงควรแก่การเคารพนับถือและปฏิบัติตามทุกแง่ทุกมุมไปไม่มีแง่ใดที่ไม่สำคัญเพราะเป็นแง่ที่จะทำให้คนดีนทั้งนั้นเป็นแง่ที่จะ ระับดับพิ่ภัยภายในจิตใจซึ่งกิเลสสร้างขึ้นมาให้ค่อยหมดไปหมดไปเหมือนกับน้ำที่สะอาดทำละล้างฐานที่หรือสิ่งที่สปกปรกลบบุญหลังมันปราศจากสิ่งสกปรกนั้นกายเป็นของสอาสถานที่สะอาดขึ้นมา จิตใจของเราเป็นเหมือนกับพื้นที่วัตถุอันหนั่งซึ่งเป็นสิ่งที่สกระโมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่การไหนๆจนเจ้าตัวก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าจิตของตัวเองนั้นเป็นอย่างไรด้วยเนี้ยคุกเข้ากับสิ่งใดด้วยและการครุกเข้านั้นคุกเข้ากันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ อาจเป็นสิ่งที่ฝังจมเหมือนลูกสอนก็เรียกวฝังจงจมมิด6 ส, สิ่ง6กระปรบนั่นฝังจิตใจจนเป็นอันหนนึ่งอัเดียวกันไม่สามารถที่จะทราบได้โดยธรรมนาสา ม, มัญที่อยากป้นคว้าปีนิพพิจนานะให้ทราบแต่จะทราบได้ทางเดียว คือหลักพุตธภาวนาดังพระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินมาแล้วพระพุทธเจ้าทรงทราบความจริงและชะล้างติ่ที่สกรปรกส ม, มมทั้งหลายอยู่ภายในพระไถยออกได้ด้วยถ้ำซึ่งเป็นเหมือนกับน้ำท่สา ศาสนาปรากฏออกมาให้โลกได้เห็นได้กราบไหวบูชาเพราะการค้นคว้าหรือภาคปฏิบัติทางด้านสิดตัธรรมนาของพระพุทธเจ้าลองลำดับมาก็ดำเนินแบบเดียวกันแม้พระองค์เองเป็นผู้ประทานพระโอวาให้แก่รรดาสาวกตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกที่ประกาศธรรม แก่สาวมีเป็นเจา้ากีเป็นต้นก็ทรงสแสดงวิธีการปฏิบัติและการปฏิบัติเพื่อกำจัดหิงสกปุกพระปูมลังทั้งหลายซึ่งฝังตมภนพันธุ์จิตใจน้ำแก่สาวกในขณะที่บรรดาสาวกที่ฟังก็ฟัง เพื่อรู้จริงเห็นจริงสร้งางด้วยความค่ครวรพึงพิจารณาเพราะเป็นผู้มีภูมิสูงอยู่แล้วพวกอุคติเตนดูเต็นพวกเป็นจักรพีเป็นพวกอุคติตันดูที่พร้อมแล้วที่จะรู้ซึ่งทำทั้งหลายอย่างรวเดเร็วด้วยสติปัญญาที่ใค่ควรไปตามในขณะนั้นเนื่องจากความสงบ ทางด้านจิตใจนี้ท่านเหล่านี้ได้บำเพ็ญมาเต็มพระจิตกำลังความสามารถจนถึงกับบางรายอาจคิดว่าตนนี้ได้ถึงขั้นตับจุตที่เสษแล้วก็ได้มีเพราะความสงบเยือกเย็นของใจไม่มีเกี่ยวกับโลกภายนอกแต่อย่างใดอย่างเนี้ยโลกภายนอกก็ไม่เข้ามาประสาทประสาเป็นจิต ที่มีความสงบแนบแน่เป็นแต่เพียงว่านิเลศส่วนละเอียดที่สังจมอยู่ภายในนั้นท่านเหล่านี้ไม่อาจทราบได้เพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสแสดงทำให้ฟังในอริยสัจสิทธิ์ซึ่งประกาศในวงแห่งธรรมจัก ท่านเหล่านี้จริงได้ดวงตาินธรรมขึ้นมาคือรู้ตามความจริงแห่งสภาวะทั้งที่มีอยู่กับตัวเองและทั่วๆไปดังพระัญญาคนธัญญนี้านอุทาหุ่นขึ้นมาในขณะนั้นเพราะการถึงความจริงในขั้นเดิมด็ ว่ายังจิงกิสมุนายธรรมสมุนยธรมยธรมังสับบัตนตังนิโรธธรรมมาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับเป็นสิ่งที่ซึ้งถึงใจพระัญญากุลั ญ, ญ่งยะในขณะที่แสดงธรมรมะกับพวัตนาสูตรตกลงพระองค์ก็เลยลงเป็นอุทานขึ้นว่า อัญญาสิวัตถโคกุลนันยอัญญาสิวัตถโพกุนันยูพระญาคกนอญญาได้รู้แล้วหนอพระญญาโกนอญญาได้รู้แล้วหนอยได้ปรตเวนามโหสิโหสิตินามนั้นจึงได้เป็นนามพระอัญญาคกนอัญญาสืบต่อมามีต้องอาศัย ทั้งการฟังซึ่งก็เป็นการเป็นภาคปฏิบัติอยู่ในตัวด้วยทั้งการปฏิบัติโดยลําทางตัอเองด้วยเพราะพระองค์ทรงสอนอย่างนั้นเนื่องจากพระองค์ก็ทรงปฏิบัติ ด, ดําเนินเต็มพระตํดดดาลังความสามารถถ น, นัขั้นสลบทไเล่ด้วยการตปนคิปธปฏิบัติธรรมจึงได้ทรงรู้แจ้งแทงเรา ในเดี ย, ยร์ยศธรรมทั้งหลายเมื่อนามาสั่งสอนบรรดาสาวกทั้งหลายก็ต้องสอนโดยวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาอย่างไรมีภาคปฏิบัติเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าคดีสาวกทั้งหลายคนที่ได้รู้จริงเห็นจริงในธรรม เรียกว่าบรรลุธรรมท่านบรรลุด้วยภาคปฏิบัติทั้งนั้นไม่ได้บรรลุด้วยภาคศึกษารเรียนธรรมดาเหมือนอย่างกิโลกรอบเรียนกันทั้งธรรมะและวิช า, าอานนท์วิชาของโลกไม่เล ย, ยเป็นอย่างนั้นฟังก็ฟังเป็นภาคปฏิบัติได้รองตามหลักความจริงที่พระองค์ทรงสั่งสอน เวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติตามหลักความจริงที่พระองค์สอนแล้วอย่างใดเหมือนกันเพราะฉะนั้นผลจึงปรากฏเป็นที่พึงใจขึ้นมาโดยลําดับลาดั บ, บในบางต้นได้กล่าวถึงจิตที่เต็มเป ร, เร้วสิ่งสกรปรกสโสมงทั้งหายที่ไม่ได้ชำระล้างออกเลยจิตทั้งรวงจึงมองเห็นตั้งแต่ความสกรปรมืดดไปหมดจนม่อา ทราได้ว่าจิตเป็นอย่างไรเพราะมีแต่สิ่งที่หุ้มห่อปิดบังความจริงคือจิตนั้นไรอย่างมิชิดคนไม่สามารถมองเห็นได้โดยเหตุนี้จึงต้องปฏิบัติการปฏิบัติก็เหมือนการชำระล้างสิ่งที่สกปรกซึ่งเต็มอยู่ภาณาจิตใจมันไปโดยลาดับตั้งแต่ภาค สีขึ้นไปสมาธิสมาธิเป็นสำคัญหรือสมาธินี่เข้าถึงตัวจิตออกตอ น, นั้นก็อ้าถึงขั้นปัญญาสมาธินี่เป็นอุบายวิถีตะล่มกิหรือตลอมกิเลสให้เข้าสู่จุดรวมทั้งหมดอะ เมื่อพิเลตเข้าสู่จุดรวมไม่สร้างไปทุกแห่งทุกผลตามรูปเสียงกลิ่นรดเคลื่อสัมผัสต่างๆแล้ววิเลตก็ไม่กวนกลายเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมา ดังนั้นปัญญาก็ชำละล้างโดยพิจารณาแง่ต่างๆแห่งความติดข้องของใจใจหนักไปในอารมณ์ใดหนักไปในรูปรูปประเภทใดรูปหญิงหรือรูปชายหรือรูปพัสดุต่างๆซึ่งมีหลายประเภทเต็มอยู่ในโลกจิตมีความหนักแน่นติดทันในรูปใด มากกว่ากันนั่นะปัญญาจะพิจารณานิจับสิ่งนั้นเข้ามาเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาโดยทางสติปัญญาเช่นติดรูปเห็นว่ารูปสวยรูปมาจน ถ, ถึงกับมายั่วยวนเยลิซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตนี้ให้ฟุ้งตัวขึ้นมากลายเป็นความรากักความกำนังยิงเดียวแลวทําจให้ผุมัวด้วย ให้วุ่นวายสายแสบจนตั้งตัวไม่ติดหรือตั้งตัวไม่ได้บ้างเนื่องจากอำนาจแห่งสิ่งภายนอกกับความสำคัญมั่นหมายภายในจิตใจก่อตัวมทั้งสองอย่างนี้บวกกันเข้าแล้วมารวมอยู่ที่จิตใจกลายเป็นความกระวนกวายขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาพินจพิจารณาถึงรูปนั้น มาเป็นเพราะเหตุใดจึงต้องปฏิปันธแต่ก่อนที่ยังไม่เห็น mm. ก็ยังไม่รกักไม่ชอบใจขณะเห็นแล้วหลังจากการได้พบได้เห็นแล้วเข้ามามีตั้งแต่ความวุ่นวายใจโกรธอารมณ์อนั้นมาติดอยู่กับจิตกับใจตลอดเวลาเป็นเพราะเหตุไรนั่นนะอุบายวิธีการทิรา่รารนำนัญญ้ง แัน้นนำรูปนั้นกําหนดรูปนั้นมาแยกแยะดูให้เห็นสิ่งที่น่าปิดหน้าคล้องสิ่งที่น่ารักใคร่ชอบใ่นั้นมันมีอยู่ที่ไหนกันแน่ที่แรกกิจจะเอาเอาหมดทั้งตัวเอาหมดทั้งตัวนี่ดูให้เห็นตั้งแต่ผิวหนังขึ้นเข้าไปตั้งแต่ผงลงไปโดยลาดับผิวหนังเข้าไปหนังภายใน เข้าไปถึงเนื้อถึงเอง็นถึงกระดูกถึงภายในอาหารใหม่อาหารเก่าที่เจริญนาเข้าไปจนตลอดทั่วถึงด้วยตำยาหลายตลบทบทวนกำหนดให้แตกลงไปหรือกำหนดให้พองตัวขึ้นในขณะที่ตายแล้วแม้แต่ไม่ตายก็เต็มไปด้วยของปฏิคิณิยว ความที่ว่าสวยว่างามนั้นเป็นเรื่องของกิเลสตัวจอมปลอมจึงมาหลอกรวมจิตให้หลงสิ่งนั้นซึ่งไม่เป็นของสวยของงามว่าเป็นของสวยของงามแล้วให้เกิดความชอบใจกำหนดจินดนีนี่คือสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องแก้ไปตามสภาพแห่งความจอมปลอมมันนิยมอย่างไรก็แก้ความนิยมของกิเลสนั้นให้มันตกไป เห็นว่าไม่ว่างามมันงามที่ไหนค้นหานี่นี่คือความจริงคำว่างามไม่ใช่ความจริงคำว่าสวยไม่ใช่ความจริงคำว่าน่ารักใคร่ชอบใจไม่น่าติดผันไม่ใช่ความจริงเป็นความจอมกรอมของกลมายาี่เดตะหส่วนทรรเน่็คือความจริงแล้วกําหนดแก้กันได้ในขณนะนั้นทันทีว่ามันสวยมันงามที่ไหน นีผิวหนังบางๆเท่านั้นฉาบทาไว้ในบุคคลคนหนึ่งทั้งหญิงทั้งชายไม่ได้หนาเท่ากระดาษเลยในที่หลอกตาคนงโง่พวกเรางโง่ให้เห็นว่าเป็นของสวยของงามไปตามที่เหลวตัวหลอกลวงยัานพิจนาเข้าไปในเข้าไปลึกเข้าไปเท่าไหร่ เย่งเต็มไปแล้วของปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นนี่คือความจริงอนนัที่กิเลสที่มันเศษสรรว่าสวยงามนั่นตรงไหนมันไม่มีมันหลอกนี่ให้ดูอย่างนี้เกี่ยกว่าปัญญ า, าเราเคยเชื่อกิเลสเชื่อมานานแล้วและได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะกิเลสบีบคั้นจิตใจกิเลสมันหลายประเภทกิเลสที่สำคัญหลอกให้สําคัญว่าสวยว่างามเขมี หลอกให้มีความลักใคร่ ย, ยินดขีข้อมึนหลอกให้เกิดเป็นอารมณ์สําคัญมั่นหมายจนกลายเป็นธรรมารมณ์แล้วเป็นไฟราคาปัญหาสมอยู่ภายในจิตใจตลอเดเวลาก็มึนนี่แหลมีได้หลายประเภทหลอกได้หลายประเภททั้งเหตุทั้งผลเป็นความรุ่มร้อนทั้งนั้นเป็นความจอมปลองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาธรรมซึ่งเป็นของจริงนี้เข้าไปแก้กัน ว่าความสวยงามสวยงามที่ตรงไหนดูให้ดีดูให้ดูตามความจริงซึ่งเป็นหลักธรรมอย่าดูให้ปีนเกียวกับความจริงจะเป็นเรื่องของกิเดียซึ่งเป็นค่าสิทต่อธรรมในขณะเดียวกันก็เป็นค่าสิทต่อเราด้วยแยกแยะดูหมดอ่าตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปดูให้ตลอดทั่วถึงทั้งภายในภายนอก ห, ห, หลายตลกทบทวนด้วยสติด้วยตังยา ให้แหลกละเอียดดูแล้วดูเราสั้นแล้วสั้นเราคนแล้วคนเราดูที่ไหนไปที่ไหนมันก็เต็มไปด้วยของประดิษคุณโสโครกอยู่ภายในร่างกายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนทุกอวัยวะทุกชิ้นทุกอันหาความสวยงามหาความเป็นสัตวเป็นมนุคย์ที่น่ารักใคร่กรบใจที่ไหนมันไม่มีมันมีแต่ลมแต่แรงที่มาหลอกเฉยๆความจริง แ, แท้ๆมันไม่ม นี่ยังไม่ตายก็ เ, เป็นอย่างนี้นี่เป็นขั้นอ่ากาหนดเวลามันตายลงไปเป็นยังไงหรือเท่าแก่ชราลงไปแล้วเป็นยังไงกําหนดถึงขั้นตายเอาตายแล้วเป็นยังไงถึงขั้นหนุ่มๆชรา ว, าว่าเถอะตายลงไปแล้วมันเป็นของเน่าของเหม็นยิ่งเพิ่มความปฏิกูลมากขึ้นไม่มีความปฏิกูลใดเท่าคนตายแล้วที่กำลังเน่าพองตัว แตกกระจักระจายให้เห็นอยู่ในขณะนั้นเลยนี่เป็นของปฏิกุลเต็มส่วนนี่คือเป็นธรรมเต็มส่วนสาหรับแจ้งเรื่องความสวยงามได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มร้อยเปอร์เซ็นตพิจารณาให้เห็นอย่างนั้นตามหลักของปัญญาซึ่งเป็นธรรมมาวุธเครื่องฟาดฟันทำแดกความสําคัญมั่นหมายทั้งหลายอันเป็นคนมายาลรื เป็นเรื่องของจิตให้เห็นเหตุเห็นผลอยา่างชัดเจนแล้วทำไมจิตจะไม่ถอนตัวออกมาจากความสำคัญมั่นหมายอันเป็นเพื่อนหลอกลวงนั้นล่ะต้องทนไม่ได้แน่นอนถอนตัวออกมามนีอุบายปัญญาถ้าพูดถึงเรื่องเสียงก็เป็นลมปากเท่านั้นเสียงดีเสียงชั่ว ผ่านหูเราขราบว่าเราไม่ไปตั้งความสำคัญมั่นหมายในเสียงนั้นเสียงนั้นก็ไม่ผิดอะไรกับลมที่โชยมาโชยไปผ่านหูเราเท่านั้นเขาตำหนิเราว่าไม่ดีหรือเขาชมว่าดีหรือได้ยินเสียงเพลงเพราะก็เพราะเพราะความหมายของใจ ไปสำคัญมั่นหมายอย่างนั้นอย่างนั้นวาดภาพไปตามแล้วก็ทําให้เคลิค้มหลงไหลไปตามนี่เป็นเพลงของกิเลสประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากใจโดยอาศัยเสียงเพลงเป็นต้น น, นั้นเป็นสาเหตุใจก็วาดภาพแล้วเคลิค้มไปตามนี่ก็คือความลุ่มหลงเป็นกลมายาของกิเลสทั้งสิ้แล้วความจริงแล้วก็คือลงเหมือนลมพัดใบไม้ธรรมดานี่เองถ้าเรามันไปตั้ง ความส้องการมั่นหมายเป็นเครื่องหลอกตนขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมันก็ดับไปดับไปแต่การพิจารณารูป น, นั้นนะไม่ได้จําเป็นจะต้องพิจารณาทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสเรื่องสัมผัสถูกต้องต่งตางๆไปโดยสิ้นเชิงขอแต่ให้เป็นที่ถนัดใจเหมาะกับตริตนิสยัสยจิตใจดูดดืนควรจะพิจารณาอาการใดหรือสิ่งใดใน ไอจะน่าภายนอกคือรูปเสียงสิ่งลดเครื่องสัมผัสของมันเราพิจารณานั้นเป็นหลักเป็นตินมันก็สามารถรู้แจ้งแทนตระโดดไปทั่วถึงไปหมในบรรดาสิ่งภายนอกที่มาเกี่ยวข้องกับใจของเราดวงเดียวนี้และนอกจากนั้นก็ย้อนเข้ามาพิจารณาตัวเองเป็นข้อเทียบเทียงกันกับสิ่งภายนอกมีรูปเป็นต้นนั้นหารูปนั้นเป็นอย่างนั้นอารูปนี้เป็นอย่างไร ลูกนี้ก็เหมือนกันนั้นร้อยตัวเป็นไม่มีสิ่งใดผิดกันเลยทุกอาการทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าข้างในข้างนอกเป็นเพระเรืองของปฏิโโกูลโศกโรเหมือนกันกันกนกบภาย น, นอกที่เราพิจารณาผ่านไปแล้วนานเทียบกันได้ทุกสัดทุกส่วนผิดเป็นกระเบียดทุกกะเบียดทุกอนุกระเบีย ด, กกย ด, กกยดไม่มีอะไรผิดแตกแตกต่างกันไปเลยพ อ, อจะให้เกิดความสงสัยยึดมั่นถือมั่นใน ส่วนร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสิ่งที่น่ารักน่าสงวนมันเป็นเรื่องของการสร้างฐานให้จิเลสมีความแน่นหนามัน่นคงยิ่งขึ้นแล้วทับจิตใจเราให้รับความทุกข์ไม่มีประมาณนี่คือด้านปัญญาการพิจารณาดังที่กล่าวมาโดยยนย้อดนี้ยนย้อนนีนะ้นี่แหละคืออุบายของปัญญาการพิจารณาชะล้างจิตใจ ที่มันเกี่ยวข้องพวพันุ์ที่ตรงไหนตัดออกมาด้วยการพิจารณาทวนกระแสของกิเลสกิเลสมันไปตามกระแสของมันเราทวนกระแสของกิเลสการไปตามกระแสของกิเลสนั้นเป็นเรื่องหลอกเราทั้งหมดการทวนกระแสของกิเลสแกกิเลสแกเผ็ดร้อนซึ่งกันและกันเท่าเราจะพูดแยกมาอย่างนี้ก็ได้เป็นธรรมพิจารณาอย่างนั้นนี่คือปัญญา เมือ่อใดพิเจรณนานะอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตามโอกาสที่ควรที่ปัมาและตามโอกาสที่ควรดุดทักเพื่อความสงบใจในทางสมาธิอยู่โดยลาดับลำงานแล้วสมาธิก็มีฐานอันดีคือความสงบเย็นใจเพราะอำนาจแห่งความสงบของใจนี้ด้วยเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาเป็น ผู้วานล้อมพิจารณาที่คายทุกสิ่งทุกอย่างให้จิตใจหายสงสัยแล้วไม่ไปคล้องแวะ ก, กับสิ่งเหาไหนแล้วนั้นพอให้เกิดอารมณ์ด้วยจิตใจก็มีความสงบด้วยมีความองอาจกล้าหามีความสงาาพพ่าผ่าเผยเพราะอำนาจของปัญญาเข้าสนับสนุนด้วยแล้วพิจารณาไปอย่างนั้นเรื่อย ไม่ลดละถือนี้เป็นงานอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อความุดทนจากทุกย่าไปคาดไปคเนวไปเดาเรื่องมรรคผลนิพพานว่าอยู่ในสมัยนั้นในสมัยนี้อยู่ในครั้งโน้นครั้งนี้สถานที่ที่โน้นที่นี่ดังตั้งพุทธการท่านบรรลุอยู่ในป่านั้นเขานั้นท่านดํานนินอย่างไร ท่านดําเนินดังที่อธิบายมาแล้วดังธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานสอนไว้แล้วทุกวันนี้ไม่มีอะไรเพื่อนค้าจากหลักความจริงพอที่จะทําลายกิเลสไม่ได้เป็นหลักธรรมที่สามารถกําจัดกิเลสหรือป ร, ปราถานกิเลสให้สิ้นไปจากใจได้ทุกบททุกบาททุกธรรมทั้งหลายสรุปความลงแล้วมีมัตติมาปฏิปชาเป็นต้นนี่แล้วคือธรรมที่ทำำันสมัย ทำที่เหมาะสมต่อการปราบปรามกิเลสทุกประเภทไม่เหนือจากธรรมนี้ไปได้เลยกิเลสจะจิตหายวายพวงไปหมดจากใจกลายเป็นใจที่บื่อสุดขึ้นมาก็เพราะมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นธรรมที่เหมาะสมนี้นอกเหนือไปจากนี้ไม่ได้และไม่มีกิเลสตัวใดจะนอกเหนือจากมีอำนาจว่านอกเหนือไปกว่าธรรมคือมัชฌิมานี้ ทังพุทธการท่านก็แก้กิเลสด้วยมัชฌิมาธรรมนี้ไม่ว่าพระองค์ใดแต่พระเจ้าก็สาววกิเลสก็มีประเภทเดียวกันราคะตัณหาหรือความโลภความโกรธความหลงมีเหมือนกันกิเลสประเภทเดียวกันอยู่ที่ใจอันเดียวกันการพิจารณาก็ต้อง อ, งองาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องพิจารณา อาศัยธรรมวุธมีปัญญาเป็นต้นเป็นเพื่องคว้าปันอันแหลกปันนองไปเหมือนกับข้างพุทธกาลยิเลศก็ย่อมหลุดลอยไปเช่นเดียวกับข้างนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่สงสัยว่ายิเลสจะดุดลอยไปเพราะสถานที่การเวลาใดแล้วหลุดลอยไปจากสถานที่ก็หมายถึงใจดวงนี้เวลาหมายถึงขณะที่มันปติปัญญาเต็มภูมิแล้ว มันก็ตัดขาดจากกันได้ที่จิตใจใเอาจริงเอาจังนักบวชเป็นผู้ที่อดทนดังที่กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นปรินิพานรดาเป็นเจ้าของสังสารภาความสามารถก็คือพระพุทธเจ้านี่ยนตนลงมาหาพวกหาบรรดาสูงขาวและมาถึงพวกเราความสามารถพระพุทธเจ้ามอบให้ใคร มอให้พวกเราความเพียรมอบให้ใส่มอบให้พวกเราวิริยะ<ม>ฉันทะความพอใจพอใจอะไรเราพอใจกับมรรคผลนิพพานเราก็ต้องพอใจในความเพียรของเราฉันทะคือความพอใจในงานที่จะดําดเนินตนให้ถึงความพ้นทุกข์ตามที่เราได้มุ่งมั่นเอาไว้ วิริยะก็เพี้ยนดำเหน่อยเพราะฉะนั้นลูกจิตถาโคตต้องเป็นผู้มีฉันทะวิริยะอิตะความฝากไปใ ย, ยดีกับงานของตนคืองานภาวนาะไม่ลดละต่อวางไม่ว่าการสถานที่อิริยาบถใดให้กลมกลืนไปกับอิทิบาททั้งสี่คือฉันทะวิริยะอิตทีิมังสา มีมังสาความหมายทังองค์ปัญญาล้วนล้วนแล้วมีความเกี่ยวพันกันกับทำสี่บทนี้เสมอคือว่าเป็นผู้กล้าเข้าสู่สงครามอันจะมีชัยชนะในวันเวลาหนึ่งแน่นอนและจะชนะไปได้ด้วยลูกสิทธิฐาคตคือผู้นักบวชผู้ปฏิบัติไม่มีความเคียรใครจะมีได้ในโลก มันมีความอดความทนใครจะมีได้ในโลกศาสนาเป็นแก่นเป็นหลักใจของโลกเราเป็นผู้ปฏิบัติศาสนาโดยหน้าที่และความมุ่งมั่นของเราอยู่แล้วทำไมจะอบรมธรรมทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นที่ใจของตนเฟ้ดตนให้มีกําลังความสามารถในทางที่ดีโดยทางสติาาปัญญาตถาผลเกณยนไม่ได้มีเหลอเราต้องจริงต้องจำกับ กับเราก็เหมือนกับว่ากัดกิเลส น, นั่นเองสู้ต้องสู้กันจริงๆอย่าทำเล่นๆ ล, นละหลอเอีย่ยเอี่ยไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าผูกพ้นทุกไม่ใช่ทางของสาวกที่ผ่านพ้นทุกข์ไปแล้วด้วยความละหลออเลี่ยเี่ยที่เกียดที่คลาน อ, อ่อนแอมากง่ายสักเพ่าต้องเป็นคนจริงจังทุกอย่างไม่ว่าผิดนอกราชในทำอันใดให้มี ความรู้สึกเจาะจงอยู่กับกิจการงานนั้นๆเป็นความจริงใจของผู้ปฏิบัติเวลาก้าวเข้าสู่ความเพียรทางด้านจิตใจเลยโดยเฉพาะจิตจะมีความจดต่อต่อเนื่องกันไปเป็นความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นเดียวกับกิดภายนอกเพราะเราเคยฝึกขาดทองเราอย่างนั้นอยู่ทำกันอย่างนี้นักปฏิบัติถ้าอยากเห็นมรรคผลนิพพานจะไม่มีขึ้นที่ใด นอกเหนือไปจากใจดวงที่ถูกกิเลสรุมล้อมอยู่เวลานี้ถึงเราได้ประพฤติปฏิบัติกรรมจัดมันอยู่ทุกเวลาจนกระทั่งกรรมจัดกิเลสทุกประเภทให้หมดไปจากใจแล้วเราไม่จำเป็นต้องถามหานิพพานที่ไหนนั่นเป็นชื่อเป็นชื่อของนิพพานคำว่ากิเลสก็เป็นชื่อของสิ่งมัวหมองสิ่ง มืดตื้อที่มีอยู่ภายในใจิตใจปัญญาคือความเฉลียวฉลาดรอบขอบขอบชิดเป็นเครื่องมืออันสำคัญที่จะฝ่าปันหันแหลกกับที่เหล็กซึ่งมันก็แหลงคงไม่นอนแต่อย่างไรก็ไม่พ้นอนานาจของธรรมมีสติปัญญาตทาความเพียรเป็นสำคัญไปได้มีความหนักแน่นจากการประพฤติปฏิบัติอย่าลืมตัว ใถือหลักปัจจุบันนธรรมปัจจุบันณกิตอยูจจ่สมออย่าไปคาดไปเดาอดีตอนาคตสถานทีนท่นั่นที่นเป็นแหล่งแห่งกิเลส จ, จะดับจะสูญเป็นแหล่งแห่งกิเลสรับมรรคผลมิผ่านไม่นอกเหนือไปจากใจนี่เลยกิเลสมันไม่เห็นมันคาดคเนที่ไหนแต่มันทําไมมันอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกได้ตลอดมานียเวลาเราจะบําเพ็ญ หรือประพฤติปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสทําไมเราจะต้องไปหาสถานที่หนักทิมไปหาการหาวิริยมลีาลาให้กิเลสหัวเลาะเยาะเอาขนมันลงไปที่ตรงนั้นนักก็ทราบว่าหนักทุกข์ก็ทราบว่าทุกข์เพราะไม่ใช่คนตายต้องมีทุกข์เป็นธรรมดาเมื่อประกอบการงานทุกชิ้นไประหว่างานทางโลกงานทางธรรมขึ้นชื่อว่างานแล้วต้องมีความหนักเอาไปตามเรื่องของงาน เราทราบกันแล้วเพราะเราเคยผ่านงานมามากน้อยแล้วยาถือเป็นอุปสรรคว่าเป็นงานหนักบ้างเบาบ้างอะไรถือความที่จะหลุดทนจากการถอดถอนน้ำคือกิเลสที่มันยอกหัวใจออกได้นี้เป็นที่พอใจอันนี้เป็นหลักสําคัญของผู้ปฏิอันนมีใจหนักแน่น สมาธิยังไม่เกิดก็เอาให้เกิดทําไมจะเกิดไม่ได้จิตมันดิ้นไปไหนสติปัญญาตามต้อนมันมาได้ทั้งนั้นบังคับได้สติปัญญาบังคับจิตไม่ได้ไม่มีอันใดที่จะบังคับได้ในโลกนี้สติปัญญามีอานาจเหนือกิเลสมีอํานาจเหนือจิตจิตมีแต่ความรู้เฉยๆไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้อยากรู้ละเอียดรู้ลึกตื้นหนาบางไม่รู้จัก ความคิดอ่านไตร่ตรองมีแต่ ร, รู้อย่างคนบ้านั้นเราเห็นอยู่แล้วรู้เฉยๆฉยอยากทำอะไรก็ทำไปตามความรู้ซึ่งมีกิเลสเป็นเครื่องผักดันให้ทมแต่สติปัญญาความรับผิดชอบไม่มีจึงเป็นคนประเภทนั้นนั่นเราเห็นอยู่นั่นแหละคนไม่มีสติดูเอาที่ว่าขาดไปหมดเลยสติก็มีปัญญาก็มีมีแต่ความรู้และกิเลสรุมร่องเป็นเจ้าของจึงแสดง อาการที่น่าทุเรศให้เห็นในที่ต่างๆดังที่เคยผ่านมาและเห็นมาด้วยกันเนี้ยนั่นคือคนไม่มีสติขาดเอาซะจริงๆขาดสติขัดปัญญาเราไม่ใช่คนประเภทนั้นมีสติปัญญาอยู่ตามธรรมดาสามัญขุนเราเรียกว่าป ก, กติอันนี้เราจะพิจาราสติปัญญาสั่งสมสติปัญญาขึ้นให้เลยจากขั้นธรรมดานี้เพื่อจะแก้ที่เละ ไปโดยลําดับําดับด้วยสติปัญญาที่มีกําลังขึ้นโดยลําดับเพราะการฝึกฝนอบรมอยู่สม่ำๆเอาเจนกระทั่งกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาหมุนไปเองด้วยความคล่องแทล่วว่องไวด้วยความชํชนานิชํานาญรากรื่นของตนเองที่สืบเนื่องมาจากการฝึกฝนอบรมฝึกซ้อมอยู่สม่ำ เม้เบื้องต้นก็เป็นขั้นล้มลุกผูกคลานก็ต่างแต่ก็ถึงความชำนาญได้เพราะการฝนอบรมอยู่เสมอไม่ลดละนี่แหละสติปัญญาอันนี้เนี่ยที่จะกำจัดกิเลสทุกประเภทซึ่งมีอยู่ภายจิตใจให้หมดสิ้นไปได้โดยไม่ต้องสงสัยและไม่มีการสถานที่ใด มากิดกันห่วงห้ามไม่ผู้บำเพ็ญโดยชอบทำนี้ได้บรรลุถึงความหลุดพ้นชันทิ่ติโกคือความรู้เองเห็นเองของผู้ปฏิบัตินั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมอบไว้กับผู้ปฏิบัติด้วยความชอบธรรมจะพึงรู้เองเห็นเองด้วยกั น, น, นตั้งแต่สมัยโน้นจนกระทั่งสมัยปัจจุบันและต่อไป เพราะทำทั้งหลายแสดงว่านี้แสดงเพื่อแก้กิเลสทั้งหมดเมื่อเลิจากนั้นก็เรียกว่าเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นจึงไม่มีธรรมข้อใดเป็นธรรมที่คือที่ล้าสมัยมีแต่กิเลสนั่นแหละเป็นตัวคือตัวล้าสมัยตัวกดท่วงความเจริญของโลกของจิตใจเราให้หาความสุขความสบายไม่ได้ ถ้าทมแค่เขา้าไปในจิตมากน้อยเพีงยงไรจิตจะเริ่มไหวตัวขึ้นสู่ความสงบเย็นใจทันทีทันสมัยเข้าโดยลำานัเจนกระทั่งถึงสติปัญญาที่ทันสมัยเต็มที่แล้วกิเลสประเภทใดก็ทำลายได้หมดไม่มีจริงใดเลยนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบกสอนเพื่ออย่างนี้ขอให้พากันเข้าใจไม่ใช่ทำเหลวไหล เราอย่าพาทำกันเหลียวๆหลายๆไม่ใช่หลักทําของพระพูทธเจ้าทาให้เนิ่นช้าอย่างน้อยเนิ่นช้ามากกว่านั้นก็ทําลายตนเองเลิกความรู้ความเห็นในทางที่ผิดซึ่งเป็นพิษต่อธรรมในขณะเดียวกันก็เป็นพิษต่อเราต่อเราด้วยเมื่อเป็นพิษแล้วมันจะไม่เป็นโทษได้ไหมต้องห็นรับความทุกข์ความำลำาพากันตั้งใจงปฏิบัติ อย่าสนใจทับสิ่งใดในโลกนี้เราเกิดมาในท่านกลางแห่งโลกนี้จังทุกขังร่างตานี้เป็นเวลา น, นานแล้วควรจะทุกสิ่งทุกอย่างได้ผ่านทางหูทางตาหูจมูกลิ้นกายของทางใจของเรามาพอแล้วไม่น่าสงสัยแต่เรื่องธรรมนั้นเราเรายังไม่ถึงใจยังไม่สัมผัสสัมผัน์เหมือนโลกที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์มาตั้งแต่วันเกิดจนทั้งปันนี้ ควรจะพอหายสงสัยได้บ้างแล้วแล้วสนใจต่อธรรมที่ยังไม่รู้ไม่เห็ให้ได้รู้เห็นขึ้นมาเป็นเครื่องเทียบกันเทียบเทียงกันกับสิ่งที่เราได้รับสัมผั ส, สน้ำพันมีความสุขความทุกข์เป็นมาอย่างไรกับโลกระหว่างโลกกับธรรมที่เราพู้เดียวเป็นผู้ผิผดขึ้นมานี้อันไหนที่มีน้ำหนักมีคุณภาพต่างกันอย่างไรบ้างให้เห็นด้วยตัวของเราเองรู้ด้วยใจของเราเอง เราจะเราจะหายสงสัยคาว่าปล่อยวางปล่อยวางไม่รู้ไม่เข้าใจยังก่อนปล่อยวางได้เลยต้องรู้ก่อนถึงปล่อยวางนะรู้น้อยปล่อยวางน้อยปล่อยวางความริดถือสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งเป็นสมบัติของโลกอันนี้จงังทุกขังหน้าตาเหนื่อยปล่อยเข้ามาเรื่อยๆเพราะเวลาถึงปล่อยเพราะสิ่งที่รู้ที่เห็นนี้มี คุณค่ามากกว่าสิ่งที่เราเคยยึดถือมาแต่ก่อนเป็นลำดับลาําดับจนกระทั่ง<ม>ถึงมีคุณค่ามาหาศาลหรือมีคุณค่าอันสูงสุดจึงปล่อยได้หมดบรรดาสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในสามโลกฐานนี้ไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าความดุพนไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าจิต ท, ที่บริสุทธิ์แล้วนั้นนั่นแหละตรงนั้นตรงนั้นที่เหนือโลกเ<ม>พราะฉะนั้นจึงต้องปล่อยไปเดิมอยๆ อันนั้นสูงกว่าธรรมะสูงกว่าสูงกว่าไปเรื่อยๆต่อยไปเรื่อยเมื่อถึงขั้นสูงสุงสดล่อยได้หมดเลยแม้ที่สุดจิต ท, ที่เบิสุดนั้นก็ไม่ได้วิจตุอีนี่ที่กลาวมาทั้งนี้เป็นขึ้นเพราะอะไรเป็นขึ้นเพราะการปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินั่นเอง เราบวชมาเรามีจุดหมายปลายทางไม่ใช่บวชมาแบบสุ่มสี่สุ่ววมห้าเราบวชนี่กดมีเกณฑ์จิตมีความมุ่งหมายมีความมุ่งมัน่นเพราะฉะนั้นความเพียจรจึงต้องให้เป็นปตามความมุ่งหมายมุ่งมั่นของเราอย่าให้หล่อแหละก่อนแอเอาให้จริงให้จังสติเป็นสิ่งสําคัญมากอย่าลืมนี่พูดเสมอสติเป็นสิ่งสําคัญมากทีเดียวในวงความเพียร ปัญญายังใช้เป็นบางการบางเลวลาสตินี้ไม่เลือกการสถานที่เลยเว้นตลับเท่านั้นยิ่งดีจะเป็นการรวดเร็วเข้าโดยลาดั บ, บนี้มะขอให้ทำความเข้าใจไว้ฝึกครานี้แล้วต่อไปท่านปัญญาอธิบายอนะีกนครับคุณนาเลย